ทุกข์กับสมุทัยเป็นผลแลยเหตุในด้านก่อทุกข์นิโรธกับมรรคเป็นผลเลยเหตุในด้านดับทุกข์สำหรับในด้านก่อทุกข์นั้นคือทุก กับสมุทยทุกนั้นก็ดังที่ได้สวดได้ทราบกันอยู่แล้วเนืองๆ เ, เริ่มต้นด้วยชาติปิุกค่าแม่ความเกิดเป็นทุกข์คือชาติเป็นทุกข์ และสมุทัยนั่นก็ได้แก่ตันหาความริ้นรนทยานอยากฉะนั้นเมื่อยังมีตระาเป็นสมุทัยอยู่ก็จะต้องมีทุกขมีชาติความเกิดเป็นต้นกล่าวสั้น เมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ต้องเกิดส่วนนิโรธและมรรคนั้นเป็นผลและเหตุในด้านดับทุกข์นิโรธคือดับตัณหาได้ก็ดับทุกข์ได้กล่าวโดยตรงก็คือ เมื่อดับตัณหาได้ก็ดับทุกตั้งต้นจะชาติคือความเกิดได้ฉะนั้นเมื่อดับตัณหาได้ก็ไม่เกิดอีกแต่ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติในเหตุคือมรรคมีองค์แปด ฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจึงไม่ยืนยันตายตัวว่าตายเกิดและไม่แสดงว่าตายศูนย์แต่แสดงไปตามเหตุผล เมื่อยังมีตัณหาอยู่ก็ยังต้องเกิดเมื่อดับตัณหาได้สิ้นตัณหาเสียได้ก็สิ้นชาติคือความเกิดคือไม่เกิดอีกฉะนั้นตามหลักพุทธศาสนาจึงตายเกิดกันตลอดเวลาที่ยังมีตัณหาแต่เมื่อดับตัณหาได้ จึงจะไม่เกิดอีกแต่แม้ไม่เกิดอีกก็ไม่แสดงว่าตายสูญดังได้มีเรื่องเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล ได้เที่ยวกล่าวว่าพระอรหันต์ตายศูนย์ท่านระษาลิบุตรได้เรียกอพระรูปนั้นมาและก็ได้ถามว่าเธอเที่ยวพูดดังนั้นจริงหรือพระรูปนั้นก็ตอบรับว่าจริง ที่ยวพูดไปอย่างนั้นจริงว่าพระอรหันต์ตายศูนท่านประษาทิบุตรก็ถามว่าอะไรเป็นพระอรหรันรูปเป็นพระอรหันต์หรือพระรูปนั้นก็ตอบว่าไม่ใช่ท่านก็ถามไปโดยลำดับ พระรูปนั้นก็ตอบไปโดยลำดับดังนี้เวทนาเป็นอารหันหรือไม่ใช่สัญญาเป็นอรเป็นพระอารหันหรือไม่ใช่สังขารเป็นพระอารหันหรือไม่ใช่วิญญาณเป็นพระอรหันหรือไม่ใช่ พันราสาลิบุตรจึงได้กล่าวว่าก็เมื่อเธอได้ตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ทำไมจึงกล่าวว่าพระอรหันต์ตายสูญพระรูปนั้น ยังได้ยอมรับว่าที่กล่าวไปนั้นเป็นการกล่าวไปด้วยความไม่รู้และไม่ได้เฉลียวคิดตามที่ท่านพระสาริบุตรได้ถามและตนก็ได้ตอบไปนั้นพิจารณาดู คำถามในคำตอบนี้ก็จับความได้ว่าที่เรียกว่าตายนั่นก็คือขันท่าแตกทำลายแต่เมื่อขันห้าไม่ใช่เป็นพระอรหรันต ครั้นขันห้าแตกทำลายทำไมจึงกล่าวว่าพระอารหันต์ตายศูนแต่ว่าท่านก็ไม่ได้เฉลยว่าเมื่อไม่ตายศูนย์แล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าได้มีพระพุทธภาสิทธิ์แสดงไว้ โดยอุปมาว่าเหมือนอย่างไฟที่ต้องลมพัดดับไปหรือว่าไฟที่สิ้นเชื้อดับไปอันไฟนั้นเมื่อมีเชือ้อ ก็ติดขึ้นมาอีกและเมื่อสิ้นเชื้อก็ดับและเมื่อไม่มีเชื้อที่จะก่อให้เกิดไฟขึ้นอีกไฟก็ไม่เกิดแต่ว่าไฟนั้นก็ไม่ควรจะกล่าวว่าศูนย์ เพราะเมื่อมีเชื้อไฟก็เกิดขึ้นอีกหากไม่มีเชื้อไฟจึงจะไม่เกิดขึ้นมาอีกพระอระหันต์นั้นสิ้นกิเลสซึ่งเป็นเชื้อให้เกิดแล้วยกตันหาขึ้นมาเป็นข้อแสดงก็คือสิ้นต สิ้นเชื่อที่ให้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่เกิดอีกแต่ก็ไม่ศู์พิจรารณาดูเทียบกับธาตุไฟเทียบกับไฟดังที่กล่าวมานั้นตัวธาตุไฟนั้นไม่ศู์คือหมายถึงตัวธาต ที่เป็นธาตุแท้เมื่อไม่มีเชื่อก็ไม่ติดเป็นไฟขึ้นอีกแต่ว่าธาตุที่เป็นธาตุแท้นั้นก็ไม่ปรากฏเมื่อเป็นดังนี้พระอระหรันต์เกณไม่มีวิญญาณ เมื่อท่านดับขันบริพารไปแล้วไม่มีวิญญาณที่จะท่องเที่ยวอยู่เมื่อมีวิญญาณที่ยังท่องเที่ยวอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นพระอระหรันยังต้องถือภพถือชาติคือเกิดในภพชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ดังได้มีเรื่องที่เล่าว่าเมื่อพระอาราหันต์บางรูปท่านดับขันปรินิพ า, านมารได้ค้นหาวิญญาณของท่านว่าวิญญาณของท่านไปในที่ไหนแต่ก็ไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอาราหันต์ได้ จึงได้ตรัสว่ามารไม่สามารถจะพบวิญญาณของพระอาหารหันต์ได้ก็เช่นเดียวกับไม่สามารถที่จะพบรอยต่างๆเช่นรอยมือรอยเท้าในอากาศได้ เพราะท่านไม่เกิดเป็นอะไรอีกและก็มีแสดงว่าเมื่อดับขันธบริณิพนา์แล้วก็พ้นสมมติบัญญัติพ้นทางของถ้อยคำที่จะพูดถึงอีกต่อไปว่าเป็นอะไร เพราะเมื่อพูดถึงได้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องแสดงว่าต้องมีพบมีชติจึงยังเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เมื่อไม่มีพบมีชาติไม่เป็นน่นเป็นนี่อะไรทั้งหมดแล้วก็ไม่มีที่ตั้งของถ้อยคำอะไรที่จะยกขึ้นมาพูดได้เรื่อวิญญาณก็ไม่ได้จิตก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นบรรดาภูที่ยังมีความคิดเห็นมายังสามารถจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระราหันได้ในที่นั้นที่นี้จึงไม่ตรงกับหลักแห่งพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดังที่ได้กล่าวมานี้ ท่านไม่มีพบมีชาติเป็นนั่นเป็นนี่ที่จะไปเฝ้าได้มีทางเดียวก็คือเห็นธรรมะดังที่มีพระพุทธภาสิทธรริ์รัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม ก็คือเห็นธรรมะด้วยปัญญาเห็นสัจจะคือความจริงด้วยปัญญาดังที่ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดขึ้นแกท่านพระโกนทัญญะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เห็นเกิดเห็นดับของสิ่งที่เกิดดับทั้งหลายเห็นสัจจะคือความจริงดังนี้ชื่อว่าเห็นธรรมและเมื่อเห็นธรรมดังนี้ก็เห็นพระพุทธเจ้าคือย่อมรู้ย่อมเห็น ว่าพระพุทธเจ้าภูตัดแสดงธรรมะข้อนี้ไว้เป็นพุทธโธคือเป็นผู้ตัสรู้จริงดังนี้คือเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็คือเห็นธรรมเห็นธรรมก็คือเห็นพระพุทธเจ้า เห็นดังนี้ก็คือเป็นการเห็นสัจธรรมสัจธรรมนั่นเองที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และที่สาวกของพระพุทธเจ้าได้รู้ตาม รู้ตามได้จริงเมื่อใดก็รับรองมาภูนิจัดข้อนี้ไม่เป็นพุทธะจริงเป็นพุทโธเป็นพุทโธจริงๆฉะนั้นความเห็นทั้งสองดังกล่าวคือความเห็นว่าเที่ยงและความเห็นว่าขาดศูนย์จึงผิดต่อ สัมมาทิฏฐิในอริยสัจที่พระพุทธเจ้าเรียกัดกเอาไว้ใครก็ตามที่ยึดถือความเห็นผิดดังนี้จึงไม่อาจที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เพราะว่าขัดต่อสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ ต, ต่อเมื่อละความเห็นนี้ได้แต่ว่าเห็นในเหตุผลตามสัจจะทั้งสี่ที่เป็นอริยสัจนั่นแหละจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ ต, ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนจมนั้น ก็จะต้องละอุปาทานคือความยึดถือความเห็นดังกล่าวนั้นหากมีและฝึกอบรมให้มีความเห็นชอบตามหลักสมมาิทิฏฐิในอริยสัจดังที่กล่าว อันหนึ่งยังมีความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความทุ่มเถียงกันอยู่อีกเป็นอันมากเป็นต้นว่าความเห็นที่ว่าโลกเทียงโลกไม่เทียงโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้น เมื่อมีภูมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสพยายากรอตรัสว่าไม่เป็นประโยชน์แต่เมื่อมีภูกราบทูลถามปัญหาในอริยสัจทั้งสี่พระพุทธเจ้าจึงตรัสพยายากร คือตัดแก้ตัดอธิบายเพราะเป็นปัญหาที่เป็นประโยชน์ฉะนั้นแม้ความเห็นที่ไม่เป็นประโยชน์ต่างๆเมื่อไปยึดถือความเห็นนั้นๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เข้าทางแห่งสมมาทิฐิในอริยสัจดังที่กล่าวมาเมื่อประยึ์คือเข้าแล้วก็เป็นเครื่องป้องกันมิให้ ผนขวายเพื่อได้ความเห็นที่ชอบถูกต้องอันเป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสิ่นงกิเลสและกองทุกแม้ความเห็นต่างๆในเรื่องต่างๆซึ่งทุกๆคนมีอยู่ ในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้างแต่หากว่าไปยึดถือในความเห็นของตอนนั้นๆก็เป็นทิฐุปาทานเหมือนกันทำให้ดื้อรั้นยืนยันไม่ยอมที่จะเปลี่ยนความเห็นของตอน เป็นเหตุให้โตเถียงวิวาทกับผู้ที่มีความเห็นต่างกันฉะนั้นทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเห็นนี้จึงควรที่จะยุติด้วยเหตุผลคือแม้ใครจะมีความเห็นของตนอย่างไรก็มีไป แต่ก็ฟังเหตุผลของผู้อื่นด้วยและมาใจตรองพิจารณาว่าความเห็นของผู้ใดถูกต้องก็รับเอาซึ่งความเห็นอันถูกต้องนั้นไม่ยืนยันในความเห็นของตัวแม้ว่าผิดก็ไม่ยอมผิด บางทีรู้ว่าผิดแต่ก็ไม่ยอมที่จะแก้ไขดังนี้ก็แสดงว่ามีความยึดถืออยู่ในความเห็นของตนอย่างรุนแรงและก็ถือรั่นอยู่ในความเห็นของตนนั้นได้มีคำว่านานานาจิตตัง อันแสดงถึงว่าทุกคนนั้นต่างจิตต่างใจกันจึงย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นจึงได้มีทางที่จะยุติความเห็นให้เหลืออย่างหนึ่ง สำหรับที่จะถือเอาเป็นทางปฏิบัติเช่นในที่ประชุมของคนเป็นอันมากก็ถือเอามาติของเสียงข้างมากลงว่าอย่างไรก็ถือเอามาตินั้นเป็นทางปฏิบัติแต่ว่า คติในทางพุทธศาสนานั้นในพระวินัยบมัญญัติก็มีอยู่ข้อหนึ่งสำหรับที่จะระงับอติกรใช้วิธีเยภุยสิกาคือว่าเสียงข้างมากเป็นประมาณเป็นข้อหนึ่งในเจ็ดข้อ อันแสดงว่าทางพุทธศาสนานั้นไม่ได้ถือหลักของเสียงข้างมากเพียงประการเดียวแต่มีหลักอื่นๆอีกถึงหข้อเจ็ดท้งข้อที่ถือเอาเสียงข้างมากและเมื่อกล่าวตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอันเป็นหลักธรรมะ ที่พึงถือปฏิบัติเพื่อความถูกต้องจริงๆแล้วต้องการให้ถือเอาธรรมะคือความถูกต้องนั่นแหละเป็นหลักดังที่ได้มีแสดงอธิปไตยสาม คือโลกาที่ปัจจัยโลกเป็นใหญ่อัตตาที่ปัจจัยตนเป็นใหญ่ธรรมมาที่ปัจจัยธรรมะเป็นใหญ่โลกาที่ปัจจัยโลกเป็นใหญ่นั้นก็คือชาวโลกก็หมายถึงคนส่วนมาก เมื่อคนส่วนมากว่าอย่างใดก็ถือเอาตามคนส่วนมากนั้นดังนี้เรียกว่าโลกเป็นใหญ่ตนเป็นใหญ่นั่นก็คือว่าถือเอาความเห็นของตนเท่านั้นเป็นประมาณ ไม่ฟังเสียงใครดังนี้ตนเป็นใหญ่ธรรมะเป็นใหญ่นั่นก็คือถือเอาความถูกต้องนั่นแหละเป็นสำคัญไม่ถือเอาโลกเป็นใหญ่ไม่ถือเอาตนเป็นใหญ่เพราะว่าแม่โลกคือคนเป็นอันมาก จะมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่หมายความว่าถูกต้องไปทั้งหมดคนส่วนใหญ่มีความเห็นผิดก็มีอยู่เป็นอันมากแม้ตนเองก็เหมือนกันมีส่วนผิดอยู่เป็นอันมากไม่ใช่ว่าตนเองเห็นอะไรแล้วจะถูกต้องไปหมด เพราะฉะนั้นหลักอันถูกต้องจริงๆแล้วต้องเป็นหลักธรรมะที่ปจัจจัยคือธรรมะเป็นใหญ่ทั้งสามนี้นจัดย่อเขาอีกเป็นสองคือเป็นตัญหาที่ปจัจจัยกับเป็นธรรมาที่ปจัจจัยตัญหาที่ปัจจัยนั้น ก็คือตัณหาเป็นใหญ่ตัณหาเป็นความเล่นลนทยานอยากเมื่อตัณหาคือความเล่นรนทยานอยากเป็นใหญ่ก็จอมียุ่งยากเดือดร้อนแต่เมื่อมีธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่จึงจะมีความสงบสุข เพเป็นความถูกต้องเป็นไปเพื่อเกื้อกูลจริงๆฉะนั้นแม้จะเป็นโลกก็ตามเป็นตนก็ตามเมื่อยังประกอบด้วยตัณหาคือความลิ้นรนที่ยานอยากอยู่และใช้ตัณหานั้นในการลงความเห็นในการปฏิบัติอะไรต่างๆอยู่แล้ว ก็เรียกว่าตันหาที่ปตยเมื่อเป็นตันหาที่ปตยแล้วก็จะไม่พบกับความสงบความเรียบร้อยและผลดีต่างๆที่แท้จริงต่อเมื่อธรรมะเป็นใหญ่คือถูกต้องเมื่อคนส่วนมากถือธรรมะ คือความถูกต้องเป็นใหญ่คนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้มติของคนส่วนมากนั้นก็ใช้ได้หรือเมื่อตนเองถืออธรรมะคือความถูกต้องเป็นใหญ่ความคิด ไ, ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นหากว่ามาปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไม่ยึดถือในความเห็นที่มีตัญหาเป็นใหญ่จะเป็นความเห็นของคนส่วนมากก็ตามของตัวเองก็ตามแต่ว่ายึดถือเอาความเห็นที่มีธรรมะเป็นใหญ่ที่ถูกต้องจะเป็นความเห็นของคนส่วนมากก็ได้ของใครก็ได้ของตัวเองก็ได้ดังนี้แล้วจึงจะเป็นไปเพื่อความเรียบร้อยถูกต้อง และในการที่จะบรรลุถึงความที่จะมีธรรมะเป็นใหญ่นี้ได้พระพุทธเจ้ายังได้ตัดสอนไว้อีกว่าให้มีสต้าที่ปัจจัยคือมีสติเป็นใหญ่จะเป็นคนอื่นก็ตามเป็นตัวเองก็ตามให้ใช้สติเป็นใหญ่คือความระลึกได้ ความระลึกรู้อันภูกต้องประกอบด้วยปัญญา